สดับสับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประทานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนวสิมนั้นเป็นนั่นสิ่งนั้นเป็นนั้ น, น, นเป็นท่านสอนวเกสาโลมานาคาทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบว่าเกสาคืออะไรโรมานาคาทันตาตะโจแต่แตและอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าผสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป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 แต่ว่าสิ่งใดเป็นลายก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเบียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันธุ์ให้เห น, นียวแน่นไปไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลําดับลําดับลำดับปล่อยวางภาระคือความมีมั่นถึงมั่นเป็นภาระอันนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่ว ถ, ถึงตามหลักธรรมชาติของมัน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 เวลาถึงน้ำจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้ะไม่เอามันลาบากน้ำเกาะผ้ามางอะไรหาว่ายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพ ร, พระองค์นี้ไม่มีทิติมานะเป็นผู่มุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นนะสอนบูลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนนี่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู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 เวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรๆก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่า น, นี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิงหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลง น, นี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจริงไปเสียเวลามเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลามาแล้เพราะความหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอีกด้วย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 เราภาคภูมิใจ ก, กับคำว่าเรากับธรรมะของเราเหมือนกันเรามีอำ น, นาจวาสนาในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความปิ่นเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราในเะรืลล่องความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่า น, นี้ก็คือเราแบกหามด้วยส ง, งนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่นะเพราะความรุ่มหล ง, ลงเพราะฉะนั้นจึงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความปิ่นของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมา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 ลงไปแยกเยอะให้มันเห็นทตดตามความจิงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงังตาซึ่แท้ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมือ่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขงังตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปโดโประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมุติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังตาจริงไม่มีภายในจิต